พนาที่เกิดร่วมเป็นชาชาติก ร, ร ม, มปัจจุบันเห็นไหมเขาเป็นสหายกับกรรมทันทีเลยเขาเป็นสหายกับกรรมทันทีทำให้กรรมนั้นมีความแข็งแรงเข้มขน้นนี่เขาเรียกบุตรสองหน้าเป็นอย่างเนี้ยอีกหน้านึงก็คือรับผลกรรมร้องโอดโอยนี่นะบางทนะีแต่อีกหน้านึงก็คือเนี่ยเขาก็รับอย่างเนี้เขาก็ในรักะไปร่วมสนับสนุนทําทําเล ย, เ, ลยเขายุส่งเลยนะ ให้มีกรรมมีความเข้มข้นถ้จะกดธเขาต้องโทมนะช่วยด้วยอย่างนี้นะเป็นโทมานะเวียนาช่วยดวยูเมื่อสังขารละขันคือโทสาทำกิจเขาก็โทมนะช่วยเลยนี่นะถ้าโลภะทำเขาก็สมมานะช่วยเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าอุเบขาณ์นะที่กลุ่มของอุเบคาเขาก็อุเบคาก็ร่วมด้วยอย่างนี้นะทั้งกุศลทั้งอกุศ ล, ก, ศลก็เป็นไปลักษณะนี้ฉะนั้นตัวเวียนาตรงนั้นก็คือเป็นเขาเป็นผลในวติการก็จริงอยู่แต่เขาสามารถเกิดร่วมกับ ก, บกรรม แต่เขาก็เกิดในฐานะเป็นผลของกรรมอยู่ดีเป็นผลของกรรมอยู่ดีนั่นแหละแต่เป็นผลในฐานะที่เกิดพร้อมกับเป็นผลที่เกิดขึ้นในฐานะต่างคณะเขาเกิดจากเป็นผลที่เกิดพร้อมก่อนแล้วต่อมาเขาจึงเป็นพีชาณิธานจจกิจกจักระจึงเป็นได้รับผลในการที่จะเกิดต่างขณะเป็นทั้งศาสชาตกรรมะเป็นทั้งนานะคณิกากรรมะทั้งปัจจยุบันทั้งสองส่วนนะ อันนี้เริ่มเข้าใจชัดขึ้นนะนี่ไงการเข้าใจในลักษณะนี้ก็คือจะเริ่มจะเชื่อมโยงเห็นปัจจัยของสภาวธรรมเหล่านี้มากขึ้นนั่นคือเวทนานะตัวเวทนาจึงเป็นทุกข์สัตย์จึงเป็นทุกข์สัตว์จริงจริงเป็นทั้งปัจจตลักษณะของเวทนาเนี่ยนะก็มีการเฉลยรดอารมณ์เป็นลักษณะนั่นแหละมีการเฉลยอารมณ์เป็นลักษณะแล้วก่อนในกรณีแห่งการเสลย มีการกินเลยมีการสวยรดอารมณ์ของเป็นกิจด้วยก็แปลว่ามากกว่าสภาวะธรรมตัวอื่นมากกว่าภาษากว่าสัญญากว่าเจตนาตัวอื่นพวกภาษาก็ดีวิญญาณก็ดีเจตนาหรือสัญญาตัวอื่นเขาก็สวยรดของอารมณ์แต่ก็ไม่ชัดเหมือนกับเวทนาตัวเวตนาเจตนาตัวอื่นสัญญาตัวอื่นตัวสภาวะธรรมอืญญ่นท่ญญานอุบมาเหมือนกับพ่อควงได้ชิมนิดหน่อย ไอตัวสเสวยจริงๆก็คือพระราชานั้นพระราชาเหมือนกับตัวอุเวทนาจริงไหมฉะตัวลักษณะกิจของเขาจึงบอกว่าเขาสวยเต็มๆเลยตัวเวทนานนั้กรรมทั้งหลายที่ให้ผลเข้มข้นไม่เข้มข้นดูเวทนาเป็นปัจจัยดูเนั้นถามว่าถ้าจะทุกขนะ์น่ยก็ดูว่าเวทนาแค่ไหนถ้าจะสุขก็ดูว่าเวทนาแค่ไหนแค่นั้นแหละสัตว์โลกก็ปรารถนาเวทนาวิ่งหาเวทนากันโดยเฉพาะหาสมณะเวทนากันอยู่ สัตโล ก, ก็ปรารธนาก็เวทนากัแค่ น, น, นี่นั่นคือความสุขของสัตว์โลกแต่ขอเวทนาที่บวกกับตันหา น, านะสัตว์โลกปรารธนานอันนั้นไม่ใช่สิ่งอัสสท้ายอันนั้นไม่ใช่สิ่งกุญปรารธนานของชาพุทธเพราะเป็นไปด้วยความรุ่มหลงนะอันนั้นคือตัวตันหะแหละไอส่มนัสเวทนาเกิดร่วมกับตันหะก็จะเป็นตัวสร้างเหตุปัจจัยความทุกข์ต่อไปนี่เป็นอย่างนี้นะนี่ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วก็รอบรู้เห็นว่าเวทนาเป็นทุกข์สัตว์ที่เวทนาที่เป็นทุกข์สัตย์เเล่านี้้ยเปป็นทััังจจลกษณะ นะีในปัจจารลักษณะนั้นน่ะถ้าทํายาตราปริญญาในทุกเนี่ยเราจะเห็นปัจจัยของเวทนาเมื่อกี้เชื่อมโยงปัจจัยเห็นแล้วคือตัวตัณหาอย่างไงคือตัวกรรมอย่างไงคือตัววิชัยอย่างไงนะอันนี้คือปัจจัยของเขาในส่วนอดีตในปัจจุบันก็คือผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาที่ผัสสะที่เป็นปัจจัยเก่ดเวทนานั้นเป็นไปทั้งสาชาตะเป็นไปทั้งนานักนิกายนะดังที่ได้กล่าวแล้วเป็นไปทั้งอุปนิสัย ถ้าในวิธีเดียวกันนี่นะแต่ต่างขนาดเขาเรียกเป็นอุปนิสัยถ้าเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ระหว่างก้นเป็นอนันตระอันนั้นก็ไปพิจารณาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยมากมายขึ้นตามสติกําลังของปัญญาที่เข้าใจคําสอนเนาะอันนั้นก็ไปรายละเอียดที่ยิงจับรายละเอียดมากก็จะเห็นความวิจิตของคําสอนมากขึ้นอันนั้นคือวิพัชนะวิวารณาวิภัชนะวิวารณาคือตั้วิพัชนะการจําแนกใช่ไหมแล้วกการทําให้เป็นไป การทําให้เป็นไปเป็นเสร็จถ้าไม่เข้าใจท่านก็ชักอุปมามาเพราะในด้านของเวทนาท่านก็ดึงอุปมายี่ไหมดึงอุปมาว่าเออเวทนาเหมือนอะไร <S <S ทุกขเวทนาเหมือนลูกศรปักเข้าไปนี่ไหมนี่อุปมามาแล้วปักเข้าไปเจ็บมากในขณะปักเข้าไปตั้งอยู่ก็เจ็บถอดออกก็เจ็บเหมือนลูกศรปักที่ซวงอกนี่ทุกขเวทนาใช่ไหม <S 1> <S 1> ถ้า <S <S หากว่าสุขเวทนาทุกขเวทนา ท่านไม่ได้อุปมาเหมือนกับลูกสอนเลยเข้าใจไตัวสุขเวทน า, านี่เป็นวิปริณามะทุกนะวิปรินามทุกเนี่ยก็คือว่าเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะเปลี่ย น, นท่านเคยให้มองเห็นอย่างนั้นเป็นความทุกข์นั่นเองแท้ที่จริงตัวสุขเวทนาเนี่ยสัตว์นั้นปรารถนาก็จริงแต่เมื่อเป็นทุกข์มากสําหรับสุขนั้นเปลี่ยนไปสถานะ เราดูอย่างสถานะแต่ก่อนเราได้รับสถานะการยกยอก่องสถานะนั้นหายไปโอ้โหความสุขตรงนั้นหายไปเหลือความทุกข์แทนที่เหมือนสมัยก่อนอาตมาได้รับสถานะของการเป็นบุรุษที่ไม่เจ็บป่วยเป็นบุรุษที่เข้าใจพระธรรมอย่างดีแต่ฉานปราดเปลืองในความเข้าใจของคนทั่วไปและของอาตมาเองตอนนั้นมีความสุขแต่พอหลังจากไปร่วมป่วยมาแล้วก็ ความรู้สึกตรงนั้นก็สลายหายสยินี่เขาเรียกว่าสถานะมันเปลี่ยนคุณต้องเข้าใจอะต้องเข้าใจอ้ น, นิจังถ้าไม่เข้าใจตรงนั้นแปลว่าคุณจะอยู่ด้วยความทุกข์แต่ก่อนเราแข็งแรงทำอะไรโอ้โห ป, ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้แต่ปัจจุบันไม่ใช่บุรุษคนนั้นมาลายหายสิย้นไปดังนั้นแล้วเหลือแต่ความทรงจำเอามาเล่าหลอกคนอื่นเล่นได้เนี่ยก็ลืม นั้นก็จะเป็นไปลักษณะนี้ก็จะทําให้เห็นว่าโอ้โหนี่นะ่ยว่าเป็นอย่างนี้ผู้ดูชนเสื่อมปกติภุิยะท่านยังเสื่อมเลยใช่ไหมท่านยังเสื่อมในความความความเป็นธรรมดาของความทรงจาเว้นพุทธิทยถาพระเจ้าฉันทาไม่เสื่อมความเพียรไม่เสื่อมการแสดงธรรมไม่เสื่อมสติไม่เสื่อมใช่ไหมปัญญาไม่เสื่อมวิปัสสนาญาณคงที่นี่นะอันนั้นคือ เวนี้ก็ทําทําที่เฉพาะพระพุทธเจ้าคือการเป็นพระพุทธเจ้าจะมีความบริบูรณ์อย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าใกล้จะไรนิพพานแล้วโอ้โหพัฒนาเขาจำอะไรไม่ได้แล้วองคยิดดูหมายความงามของพระเจ้ า, าไม่มีเลยนั่นพะพุทธเจ้าไม่ใช่แต่สาวกเป็นเรื่องปกตินี่ก็เราจะได้เห็นคุณของว่าสัมมาสมัมพุทโธนนี่นี่ก็จะชัดเจด น, นถ้าหากว่าเข้าใจในลักษณะนี้เราจะเริ่มเข้าใจคําว่าเวทนานั้นโดยความเป็นปัจจัยเนี่ย คือก็เรียกว่ามองเห็นปัจจัยของเวทนาทั้งในส่วนของสาชาตปัจจัยใช่ไหมสาชาตนิสยาสาชาตัดทีสาชาต่าาาตาาตวิกตะอัญญามัญญะสัมปยุตตะคือนามธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับเขาของเวทนานะั้นถ้าในระหว่างชาวนะต่อชาวนาอะไรต่งตางๆเป็นต้นนะถ้าระหว่างปัญจทวาลวชนะเออขอไปคือระหว่างเวทธรรมะระหว่างมโนทวาลวชนะกับกับชาวนะ ยิ่งเห็นชัดพราะโวทะวนาหรือมโนทวารละชนะนี่ก็เป็นอุเบขาเวทนาตัวชาวนะนั้นเป็นอุเบขาเวทน า, าก็ได้เป็นโทมานัสเวทนาก็ได้เป็นโสมานัสเวทนาก็ได้เราจะเห็นชัดาอ๋อนี่ไงอุเบขาเวทนาเป็นปัจจัยแก่อุเบขาเวทนาก็ได้เป็นอนันตระสัญตรสมัญตะยะอนันตรูปนิเสยาหนะ้าทิวิขตาเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นให้กับอุเบขาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่โสมนานัสก็ได้ อุเบกขาเป็นปัจจัยแก่โทมมนัสก็ได้อุเบกขาเป็นปัจจัยแก่โสมมนัสก็ได้อุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาก็ได้เราจะเห็นความเชื่อมโยงของการเป็นปัจจัยกันของเวทนาบอกโอ้เวทนาเป็นปัจจัยแก่เวทนาเป็นอย่างนี้เองเริ่มเห็นไหมนี่คือปัจจัยการเข้าใจปัจจัยอย่างนี้นี่แหละใช่ไแล้วเราก็จะได้เข้าใจความ ความการสืบต่อกันของปัจจัยว่าทําเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมีเหตุผลนั่นในส่วนของปัจจัยที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างถ้าต่างขณะเขาเรียกอุปนิสยัยเราก็ยิ่งเห็นในเจ้าคุญยานเป็นต้นใช่ไหมโสตวิญญาณกนะันวิญญาณจิว๋วหามัญญาญกายยามัญนาโมโนวญญาณในเวทนาเหล่านั้นเป็นอุเบกขาเวทนาก็ได้ เป็นสมมานัตก็ได้นะทีนี้ในทั้งอุเบกขาวเวทนาและสมมานสเวทนาก็เป็นปัจจัยกับเวทนาสามในโชนะเราก็จะเห็นคําว่านี้คืออุปนิสัยปัจจัยของเวทนาก็เริ่มมองเห็นนะที่พอเห็นเวทนาในรักในนี้โดยเชื่อมโยงในการเห็นปัจจัยของเขาโดยความเป็นปัจจัยว่าเวทนาไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแล้วเวทนาไม่เที่ยงเพราะปัจจัยเหล่านี้มีเที่ยงยิงแม้เชื่อมโยงในปัจจุบันก็เห็นชัดแม้ในอดีตใช่ไหม ตามที่ทํามาเนี่ยตัณหาบวกกรรมบวกอวิชชาทั้งหลายในอดีตเนาะเขาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาในปัจจุบันนพบอวิชชาเป็นอดีตอดีดาธาเวทนาเป็นปัจจุบันนอาถาโอ้ยิ่งชัดเลยปฏิจจสมุบัติเห็นแล้วนักปฏิบัติต้องเห็นปฏิจจ์อย่างนี้ใช่ไหมต้องเชื่อมโยงปฏิจจ์ได้ถ้าพูดถึงเวทนาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เวทนาภาษาอาญาณะใช่ไหมนามรูปบีญ ญ, ญาณ สังขารอาวิชา อ, าอาวิชาสังขารวิญญาณนางรูปสาระนิพพานอเวทนาจะเอเวทนาตัญหาประธานเพราะว่า ช, ชาติฉราโมนะโสกกาเปรีเดวทุกขทมนะสักและอุบายาตท่านให้ไล่ขึ้นทั้งอนุโลมและปฏิโลมให้ชัดการเจริญวิปัสนาในทางพระศาสนาท่านเดินแบบนี้หลังจากเข้าใจโดยความเป็นนามรูปเป็นเสร็จแล้วไม่ได้สันนน่นบุคคลนะโดยความเข้าใจแล้วท่านเชื่อมโยงได้หมดนี่ตามหลักการต้องเป็นไปลักษณะ น, นี้นี่ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นใช่ไหม ทกขันมองได้หมดแต่ว่าพอดีมาเชื่อมตรงนี้จะให้จุดต่างจากจักรคุปสัตถ์้างั้นเดี๋ยวไปไล่กันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะนีะ้ยก็ต้องพยายามไล่เห็นจุดต่างตัวต่างแต่พอไล่จุดต่างาาไม่ใช่บอกวิเวทนาไปไล่ด้วยความเป็นเหมือนจักรคุปสัตไม่ได้ไม่ใช่ได้เหมือนกันแต่นี่มาไล่อีกมุมหนึง่งไล่เห็นทางปฏิจจะไล่จะเห็นกรรมเห็นปฏิจจะนี่นะนี่แปลว่าถ้าจเจริญวิปัสสนาที่เป็นปัจจียาบริฆายาณก็ดีเป็นกลางขาววิเวทนาวิสุทธิท่านเห็นแบบนี้ถึงจะสิ้นนความมมสสงงััย้ไ่ ไม่พอปัจจุบันอย่างเดียวไม่พอที่ปัจจุบันไม่พออย่างเดียวต้องการจะเสริมปิดประตูให้ตายไปเลยนี่นะหมายความว่าจะได้ไม่ต้องมาเปิดมามาพูดแค่นีกน้กันนะก็คือว่าปฏิจจสมบัติท่านจัดไว้เป็นสางการอวิชาสังขารเป็นอตีิดอาอัฏฐานใช่ไหมวิญญาณนำโลภสลายญาตนะภาสาเวทนาตัณหาประทานภาวะใช่ไหม อันนี้เป็นปัจจุบันอาถาชาติชรามรณะเป็นต้นเป็นอนาคตอาถานี่นะเราจะได้เห็นว่าอ้ท่านวางปฏิจจสุสิบสองเนี่ยเป็นสามการก็ไว้ที่ท่านวางเป็นสามการก็ไว้จะได้รู้ว่าตราบใดคุณเอาปฏิจจสุบัติมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแปลว่าคุณได้สามการไม่ได้ได้การเดียวต่อไปในอนาคตจะไม่ได้ขัดแย้งกันในเรื่องของวิปัสสนามีสามการเป็นอารมณ์ แต่นักศึกษาทั้งหลายก็ยอมจำนนให้กับบรรดาสำนักทั้งหลายที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ไปสอนขัดหลักของพระธรรมคําสอนของพระเจ้าเป็นยอมจำนนและก็เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ไม่ตรงกับพระธรมรมคําสอนของพุทธเจ้านี่แหละคือศึกษาแล้วเรียนรู้ไปแล้ว ดูเหมือนเข้าใจไปแล้วต่อไปพอเข้าไปปฏิบัติก็ไปทิ้งพระพุทธเจ้าทุกทีเอาพระพุทธเจ้าวไว้ที่บ้าทแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าครึ่งเดียวเอาวัฏธรรมพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันอยู่ครึ่งเดียวนิดเดียวอยู่นเนี้ยนะอันนั้นก็คือเป็นปัญหาว่าต้องย้อนถามปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาห เมื่อปฏิจจสมบัติเป็นอารมณ์ของวิปัสนาปฏิจจสมบัตินั้นเป็นไปในสามการทำไมคุณจึงเจริญวิปัสนาอยู่การเดียวใช่ไหมใช่แล้วคุณเรียนปฏิจจา ย, ยังไงใช่ไหมเอาสังเขปสีมาจากกาาับก็ชัดเอวิชาสังขารตัณหาอุปาทานกรรมอภาะวาใช่ไหมเป็นอติตเหตุวิญญาณนามรูปธรายยตนาภาษาเวทนา เป็นปัจจุบันผลตัณหาอุปาทานกรรมปภวะวิชาสังขารเป็นปัจจุบันเหตุวิญญาณนามรูปสลายนะภาษาเวทนาที่จะไปเกิดในเป็นอนาคตอันนี้ก็ชัดนี่ก็คืออารมณ์ของวิปัสสนาจะว่างไหก็สอบถามกันถ้าถามเขาก็จะต้องตอบว่าป ร, ริยัติแล้วก็อ้างวอกว่าดูก่อนอานนท์รมและวินัยที่แต่ถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้ว ทรรและ ว, วินัยนี้จะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราตอนนี้พระศาสดาก็ยังทํากิจของพระองค์อยู่คือพระธรรมและ ว, วินยัยหรือพระไตรปิฎกทําไมทิ้งพระศาสดาเสียเล่าใช่ไหมถ้าถามอย่างเนี้ยถ้าท่านที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายท่านจะเงียบและท่านจะเอาไปคิดเลยว่าเอออะไรเกิดขึ้นในใจของท่านแล้วนี่ก็จบก็หมดภาระเราเข้าใจไหม นี่นีคือคือจุดประเด็นที่เราท่านทั้งหลายก็นำเสนอในการที่จะกระตุ้นเตือนวิธีคิดกันในในบรรดาที่ว่าอย่าแปลกใจสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกถ้าจะเข้าใจผิดเราเป็นมาานานแล้วใช่ไหมนี่ก็จะทำให้เข้าใจในพระธรรมของข็ผพูดมีปากจํานี่กลับมาเชื่อมโยงอีกเออเมื่อปฏิจจสม บ, บาติเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาใช่ไม เมื่อเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเบ็ดเสร็จนี้เราก็มามองในด้านของเวทนาเวทนาเป็นหนึ่งในปฏิจจุบันบาตธรรมเป็นปัจจุบันอาถาชัดเจนใช่ไหมเมื่อเวทนานี่เป็นปัจจุบันอาถาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นชัดเจนแต่เวทนานั้นมีมีปัจจัยปัจจัยนั่นแหละคือดีติที่ใช่ไหมแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นมาบวกกับตัณหาได้ตางตัณหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นต้นหรือกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยทําให้เราได้อนาคตอาถา ทีนี้ก็ไปเชื่อมดึงสูตรมาอีกใช่ไหมดึงในพัตเทกันล้วจะสูตรมาเนี่ยมาไม่ได้ไปดูสูตรนะแต่นึกโครงโครงสร้างมาปุ๊บแล้วก็จะเห็นใช่ไหมก็จะเห็นแล้วโอ้เนี่ยนะเออเราจะเชื่อมโยงสูตรนี้ยังไงถ้าที่จําได้นี่นะเต่าสูตรมากลางก็จะชัดและจะยาวยาวด้วยมาไม่ค่อยสันทัดในการที่จะต้องไปไล่ยาวใส่แว่นบางดูบางอะไรบ้างนี่นะแต่สรุปไม่ไม่ต่างอย่างนี้ก็หมายความว่า คืออตีตังนานวาขเมียนาปฏิกางแค่นักทางเป็ น, โน้โตอะไรนี้เนี่ยในสูตรเนี้จะยกกันมามากเนาะว่าให้ดูปัจจุบันอดีตล่วงมาแล้วอนาคตนี่เพราะไปแปรนี่หมดจบเลยตรงนี้ยแท้ที่จริงในสูตรนี้ท่านจะใช้คําว่างอนเง่นและคลอนแค้นและก็ไม่งอนเง่นและไม่คลอนแค้นคำว่างอนเง่นและคลอนแค้นเนี่ยเป็นชื่อของตัณหามน า, าทิฏฐิที่เกิดขึ้นในกระแสจิตปารับอดีต ถ้าปารลบเดชะหามนาทฑิทิิท่านก็เรียกว่างอนเงันละครแค็งในดีถ้าปารลบในปัจจุบันถ้าปารลบเดชะถามนาทฑิทิท่านก็จัดว่าเป็นงอนเงนคอนแค็งในปัจจุบันและอนาคตหวนถึงอนาคตเดชะถามนาณิถึกเพ้อฝันในการนี่บนเพ้อถึงอนาคตเป็นต้นเนี่ยนะที่หวังจะได้สิ่งดีงามทั้งหลายในอนาคตก็ตันหามนาทฑิทิที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ท่านเรียกว่าง่อนเงันคอนแข็งผิดหลักพระเทวราชสุข แม้ในปัจจุบันเห็น ไ, ไหมและไม่งอนแง่นไม่คอนแคนท่านก็บอกว่าคือคิดถึงอดีตได้คิดถึงอนาคตได้และแม้ในปัจจุบันตั้หามานาทิถิไม่เป็นไปในขนานั้นทีนี้ก็มาดูแล้วว่าเวทนาเห็น ไ, ไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นเห็น ไ, ไหมถ้าตั้หามานาทิถิเกิดขึ้นหรือเกิดโทมานาเกิดขึ้นชื่อว่างอนแง่นคอนแคน ในปัจจุบันอันนี้ผิดหลักบนเมื่อเราปรารถนาสุขเวทนาในอนาคตหนีงอนแง่นคอนแคในอนาคตเพื่อหาสุขเวทนาในอดีตงอนแง่นคอนแคในอดีตเหไหมจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเอาสูตรไหนมาจับก็ลงกันนี่นะคำสอนพระเจ้าแค่ที่จริงท่านให้มีสติสัมปชัญญะในการไปวิจัยวิจัยทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีเหตุ เพื่อฝันอนาคตเด้งไงอดีตเด้งไงทีเนี้ยค่ยหาอดีตไม่ได้แล้วเพราะทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเข้าใจปัจจัยเนี่ยชาติที่ทุกชราทุกมรณะทุกโศกกาลปีเดียวว่าทุกกระทมน่ะสารเลวปลายญาที่ได้เนี่ยมันมาจะเขตยนในอดีตถ้ายิ่งมาชมมนณะในปัจจุบันและสร้างกรรมในปัจจุบันแล้วเราก็จะได้ทุกขเวทนาในอนาคตเขาอีกเจ็บปวดเลย นี่เขาเรียกไม่งอนเงนันไม่คอนแคนทั้งในอดีตนาคตดและปัจจุบันแปลว่าถ้าคุณงอนเงันคอนแคนทั้งในอดีตนาคอปัจจุบันคุณตกปัจจุบันอดีตนาคตหมดเลยคุณไม่ได้เห็นคําว่าปัจจุบันเลยคุณไม่รู้ธรรมะแจ้งในปัจจุบันนภพเลยคุณเสียหมดแล้วนี่เริ่มเข้าใจแล้วพอเริ่มเข้าใจแล้วก็คือจเจริญสติสมัมปชัญญะยังไงที่จะไม่งอนเงนันไม่คอนแคนในปัจจุบันอดีตและนาคตก็เข้าหลักในพัทเทกและตรที่พระองค์ทรงสอนและให้สัตจจะรู้เห็นไหม อันนี้ปฏิบัติได้และเข้าใจได้นี่ก็สมคัรเกี่ยวเวลาเลย <c oughs> ใช่ไหมนี่ก็มีใครถามอะไรไหมมีใครถามอะไรไหมไม่มีเนาะอ่าไม่มีก็ก็สมควรเกี่ยวเวลาอุทิศส่วนกุศลกันหน่อยเ<ม>อาได้ไดตัวนี้นั่นก่อนแต่ข้างในมันเยอะอันนี้นเหลือน้อย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 ซึ่งเป็นที่รักใข้และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวียนกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียว มีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ตวจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว สาสต์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานความปรารถนาดดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอสาธุสาธุสาธุาธบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศ ส, ส่วนบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตละรรก้าในทันทีถ้าข้าพเจ้ายัางเป็นผู้อ า, าพัธอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตาสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในประเทศที่สมควรได้พบกัลยาณมิตรได้ปังพระสัตทธรรมได้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม และไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดอย่างข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติฮิริโอตปะความเพียรและขันติ พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและธท ร, รขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุดลมพัดไปในอากาศฉะนนั้น ความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้ยองมีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกพบเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลก เมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนลักเสีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระาศาสนาของพระาศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกแต่สรู้ได้พรานกระทาไม่แจ้งซึ่งอารัฐผลอันเลิศ อันประดับด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องตัดสรู้เฉพาะตนนันสูงสุดเทินสาธุสาธุสาธุ